มาว่าอัตมาคิดว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงจะบัญญัติว่าพิสุนั่งรถเมย์ต้องพาจิตตีพิสุขึ้นขึ้นขึ้นคร้นขึ้นดินต้องทุกต์ดหรือพิสุขออกนอกอาวะออกออกอาวะออกอะไะออกนอกอาวาตาต้องทุกพาจิตหรืออาจารย์เห็นว่าอย่างไรตอนท้าย น, นักศึกษามบท โ, บดโดยมากก่อนเสร็จธรรมเทศนาปรากฏว่าขู่ชนาบรรลุ ก, กันเป็นจำนวนมากแม้เทวดาก็บรรลุเป็นโกรคิดแล้วไม่น่าเชื่อ เรื่องขุดโกดนี่ผมได้เรีเยแรนแล้วไครับบอกว่าเป็นอนเนกสัสญญาขยะเราจะไปปัดสินถือความตามจานวนเลขไม่ได้แล้วครับเทากว่ามากนั้นเองเขาบอกสน8ูดนตีพันหาร้อยนี่นนนแปว่ามากแปลว่ามากแต่อำุดชิดนี้ในขั้วุฒการเขาเข่ใจกันเขาคนข้นวุฒการไม่ได้ถือํามตัวเลขอย่างเราพูดกันทุกวันนี้หรอกเขาเขาใจเป็นอีเดียมเขาเรียกเป็นจำนวนน่ยหลังว่าอีเดียมคือจำนวนที่พูอกันแล้วคนข้างนั้นขใจตามหมาย แต่คนทั้งเราห่างสมัยท่า น, นังสองพันรอยกว่าปีเราก็ไม่เขา้าใจนีวกว่ากาส้างของลูนตัวเล็กจริงๆไม่ใช่สาหรับพุทธเจ้าจะบัญญักเรื่องนั่งรถมีเป็นอาบัติเม่ขี่ค้นมีนอาบัติหรือไม่ไมนะ่ะผมม่จับคนไม่บัญญัตเพราะพุทธเจ้าบัญญักิศีรษะหมดนะ่ะดีการาลูดูเ ท, ท, ทสเหมือนกันถ้าพระองค์ชปรชาขี้ซึแบบนี้อยูความจาเป็นทางคมนาคมมีอยู่พองคร้อนฐานตามการานุการครับอันนี้จะถอนฐานครับคือว่ายิงศีรษหมดอันใถ้าไม่ไม่เป็นโลกระวัชพะ มิ้งไม่คุณเห็นเสียคุณสมบัตินนตทางใจมิ้อย่างนี้แล้วก็คือเราอนันดู์ตามการที่ได้อนันดูน์ได้ในนั้นพวอคุจะประธานพิท า, ามีญาตไในนี้บอกว่าในการที่เราล่วงไปให้ส่งของพิ้าบทเล็กน้อยได้หากต้องการที่กแปลว่าคุณมีการไข่แล้วว่าการเหตุการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเพราะนมีในเล็กเล็กน้อยๆที่เรี่ยวกการอุปโภคบริโภคการคมนาคมคือหุม ก็บางเปลี่ยนไปตามการอย่างพาคเหนระหว่างเราทุกวันนี้จะไขว่จะสามารถรักษาจของเก่าได้ครบเมื่อไรแล้วก็รักษาไม่ได้ซึ่งที่เรารักษาได้ยังที่สุดก็คือว่าเคื่อมหเนี่ยเครื่องมือห่นที่เราห่มกันทุกวันนี้นะฮะไเนี่ยถ้าตั้งมีใครมาถามบอว่าเครื่องมห็นประเทศใดบ้างที่มีอายุยีสุดในโลกไม่รู้จกเปลี่ยนแปลงคือไจีวนี่แหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสองพันห้าอียังไงก็อย่างนั้น เป็นสไตล์แบบแบบเื่อที่เกาแก่่ดในกแบบไหนเก่าแก่่าแบบทุื่อหมดแล้วตงง้นบงตงฟ้าตงบงตงาจัตสบ้างงอมพ่อบ้างตงอะไต่างๆร้อยแปดอ่านกระั่งตงผมตงผิจิจ้าไม่เคยเปลี่ยนตตะพุทตะพุไม่เคยเปลี่ยนยก็ยังงั้นเ้ราะาน้ีเปลี่ยคือแบิจิตจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนสามกึบตะพุไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยีกคไม่ตไยอมทีอื่นสีหลวงตะพุไม่ได้เปลี่ยนอันนี้แะเราว่ายืนยันได้ ไอ้ยันอื่นเราก็เปลี่ยนไม่ใช่ในเปลี่ยนเห็ น, หนหระบบสักอย่าง น, นี้เราก็เปลี่ยนไปตามกาลังกาจะเี็นว่ามาฮายันเาเปลี่ยไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปไปตามอืมอท่านท้าซุปโอจะเป็นกาถามว่าพระมาลายเป็นอรา ห, ารหันต์หรือไม่ดูเหมือนมีปรากฏในสาวกหรือนังสือคุตตมวัตรก็แน่สิครับพระมาลายน่ะไม่ใช่เป็นท้าอรหันต์ข้าพุทธกาลแต่เป็นอรหันต์ชาวนาาหลังพุทธกาลหลายร้อยปีทํานพระมาลายนะ เมื่อพุทธบริท่านสุดที่เตโชพิคุภามาว่าเมื่อพุทธะุรีผ่านแล้วแต่ที่อาจารย์ว่ามหาตัจจายณะยังอยู่แต่ทําไมจริงไม่กล่าวถึงพระมหาตัจจายณะเลยข่าวสังขยานานั้นก็เพราะเหตุที่ผมยากคงจะมาไม่ทันประชุมการคมนาคมห่างไกลมากแค่โอเชียนิกับกับกับราชครหในครั้งนั้นน่ะเหมือนกับทุกวันนี้ประเทศไทยกับอเมริกา อ่างกกลมากจากู้สิกคนในครั้งนั้นข้าคันอยู่คนลภาพโลกกว่าได้ท่างไกลกันเล็เนึเป็นถือว่าเป็นปัจจัยในชนบทนะแบน่จะว่าไปแล้วเพราะนั้นถ้าโสณะไงล่ะถ้าโสนะอยากจะบวชรอพระเขาองค์สงสิบลูกยังรอไม่ได้ตายจริงรอแล้วลเหรอเช็นปีปีร้อยร่างหลายปีหาพระิลูกในอวันตีคนบทได้ได้กระทั่งนี้พุทธทางอยากอัอย่ว่าถ้ามนปัจจัยมบแล้วห้าลูกก็บวชกันได้ถอนลงมากตาโศนะเป็นเหตุสิหละ แล้พระสูรนัหนลแหละอุปชาที่ท่านพระมารัตจายนะสั่งไว้เมื่อเดินทางไปสร้างพรเจ้าแล้วให้ทูลขอที่ทำให้ยากให้รถอย่างที่ขาบดานนี่ก็จะโน้มสงศ์เวลาจะบอดให้รถน้อยลงพระหาพาในข้ออวันตรียากเสือเกินนี่แสดงว่าการคมนาคมห่างไกลกันมากในทางนั้นแต่พระมาัจ า, ายนะยังอยู่ที่รู้วยังอยู่นะเพราะมีพระสูตรนี่แต่ไม่คิดมนจกายพระเจ้าทูลอวัน ต, ตรีฟังคำพระมารัจยนะและเลื่อมใสขอถึงขมาอัจยนะเป็นธารณะ ท่านกล่าวว่าอย่าทึงอัตมาเป็นสารณะเลยจงถึงพระผู้มีพรภาคพระองค์นั้นเป็นสารณะเถิดพระเจ้าจึงลาวันตีถามว่าพระผูมีภาคดับนั้นัานี้ประทับอยู่ที่ไหนพระมากัจจายนะตอบว่าพระองค์ได้ดับขันจะไปได้ดีพานแล้วนี่จากตรเนี่ยในในดูไม่จอใบมรทุปจะกสูตรน้าผมจาไม่ผิดอาจจะข้ามเขี่ยวก็ได้อ่หมายเลยแต่เเด็กถามมาว่าพระเชี่ยวแก้มมรรคกาปูกพวกโรมันคาปิกเอาครกตําหวานไปหมดแล้ว แล้วสิ่งที่มีปรากฏอยู่เดี๋ยวี้คือเมืองลังกาเขาจำลองขึ้นหรือเขาให้แก้ข้อสงสัยด้วยของจริงครับรเป็ของจาลองไอ้ข้อไอ้ข้อไอ้ที่ถูกตาไปเนี่ยของเต้พระเชษก็มีหลายองค์ชาวพุกธลังกาเขาล้วนภายมีมาเขาสร้างพระเชษแกลง้งไว้ทำลองหลายองค์เหมือนกันองค์จริงเนี่างนี้ไปทุกต้องได้ในมาลายชนบทภาคกลางของประเทศลังกาองค์เต้ถูกไ้คาทริคมาเอาไปมันนึ่ของจริงมาไปตาเพระเาะฉะั้นทุกวันนี้ที่อยู่ในเกาะลังกาเป็นของจริง าท่านปัทพุปัทูุเยภิกขุถามมาว่ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามที่สิตติตรีแล้วจะต้องสติชน ท, ที่ติดต่อกันไม่มีระหว่างขัน้นถ้าสัตว์เหล่านั้นสร้างบุญประเทศมหาบุญสมวิบาศน์ที่จะส่งไปให้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าตายในเวลากลางวันสมมติว่าในขณะตายนั้นไม่มีมนุษย์จะเสดตามกันจะไปเกิดเป็นอะไรอามาได้ยินอาจารย์บางท่านบอกว่าต้องไปเกิดเป็นโอปาติกะกรจิไหมขอฟังเหตุผล โอปปติกานะ่าก็หมายความว่าเกิดแล้วแต่ว่าที่ท่านบอกว่าไม่ไม่มีมนุษย์เต็มกันเต็ตามกันในขนาดที่ตายนั่นนะ่ะเป็นข้อที่ท่านสมมติครับข้อที่จริงก็เราก็ประมาณไม่ได้ว่ามนุษย์ในโลกังเกิดสาันล่านเนี่ยจะไม่มีตัวนังเจริอถ้าไม่มีมนุษย์ในสมุทรทวิ่ก็ต้มีมนุษย์ในอุตรกุรุทวิสินะอุตรากุรุเออเวเ์บุภวิเตหาเอออัปรากุยานเสาทะวิไม่ยมีมนุษย์อยู่นี่เนี่ย ชมทุนทีมมีสมรู้เกิดในทุนอื่นนี่จะได้ใหญ่โเลยครับก็ข้อสองเหตุที่พระมาหากับศพปรับอาบัตแต่ท่านอนุดูมีความผิดในบางข้อเช่นในทุนในพระสัสดาเสด็จอยู่ถึงกับหนึ่งเป็นต้นดูไม่ไม่เห็นจะมีความผิดถ้าที่ข้าประคุมทั้งนั้นเป็นจำนวนถึงสี่ร้อเ้าสองค์เป็นทหารทั้งสิ่งไม่น่าจะสร้างข้อรังเกียจที่มีความผิดต่อท่านอนุข้อนี้เป็นประโยชน์ในทางปกครองข้ามากับศพท่านต้องการสร้างตัวอย่างในทางเด็ดขาด ในที่ปกครองคือท่านท่า น, านาร้ไหมครับว่าท่ามะกับสัตวนี่เป็นกระแส ท, ที่แข่งขับในธงขาวัตที่สุดอ้ามัดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆท่านไม่ไมยอมให้ข้ามเลยไม่ข้ามแเป็นน้อยๆท่านไม่มองข้าเข่งขับที่สุดแม้กระทั่งที่พรเจ้าขอร้องว่ากับสตว์เธอก็แก่เท่าฉลาแล้วล่วงการผ่านไวแล้วอย่าเลยธงขวัตเนี่ยประพฤติได้ยากจงรับข้ามาดีจีวรเถอะเมื่อเวลาเกิดหน้าฝนจนเข้าทิ่มงบงเถอะ ตัวรับมีรบาดทุกหน้าบาดีนีน่มุนขันตามบ้านบ้างเถอะพระมกรากษัตริย์ยังไม่ทํำตามทุกที่พระเจ้าขอร้อง บ, บอกท่านจะทํามันอย่างนี้แหละพระเจ้าก็บอกว่าท่านี้ประโยชน์อะไรที่เธอจะดึงดันจะทําอย่างเนี้พระมหาก็กาากัต ร, ยริย์บเจ้าเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแต่พระสงฆ์หนุมๆว่าคนแก่อย่างข้าพระเจ้ายังทําได้แล้วหนุ่มๆเลยทำไมทำไม่ได้ให้เป็นตัวอย่างแต่ปัิตมาชมนาตาชนพระเจ้าก็อนุโมทนาบอกดีแล้วสาธุดีละอัศบะ เนี่ยาไม่บูธนาหัตสเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กเล็น้อยๆที่เรามองเห็นในความผิดนะท่านม้ากษัตริ์ท่านเป็นคนคิดละเอียดอามัดเล็กน้อยทำไมมองข้างละเอียดถี่ยิบหมดเพราะฉะนั้นท่านเอาผิดข้ารนเป็นได้สาหรับทําเป็นตัวอย่างว่าคขนาธารหังยังต่ออาบัดจะเปลกล่าวไปย้ายกับพอุปถัมภถาหาว่าที่ประชุมต่ออามัิแล้วยังขืนดื้อดันต่อคัดค้านคำสั่งพเถสะคัดค้านมติที่ประชุมสงฆ์อย่างนี้ไจะใช่ได้ที่ไหน เรตัวอย่างเพราะฉ้นสพัฒน์่าเป็นตัวอย่างนียสุภัฒนาบวเมือหายแตบผู้เ่าสุภัฒน์่าคนนี้น่ะเดินเป็นช่างกะลับดกํลับดบวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อก่อนเป็นข้างผมลูกก็เป็นข้างผมบวชบวชละอาชีพไม่ยอมทิ้งเจ็บเอามีดโกนเลยกันไกอะยรสิจะไม่หมดแล้วก็พนักงานบวชแล้วนะยังไปติดรับจ้างเขาตัดผมคนหนุ่มในเขารัจ้างลูกขาวก็มาติดตีไม่ทำรู้ขาบดทำนี้มีตัวอย่างที่ไหนอ่ะมีอย่างว่าบวชแล้วไปทิ้ ถ้าถ้าก็โผล่าชาไม่ปราศนาหาวเจ้ามาจิ้มืกันใครก้ทำอะไรไม่ได้อีกลาพราะวจามีทางก็ต้องมีทางาดีแล้วมีทางล้วก็ดีแล้วเราอบมไดทำไาใจม่มีใครมาบัญ ญ, ญตัติมามีคนมีคนกับเราเพราะั้นกระสุนที่แม่สติว่โอย้ยไม่ทันไรเลยก็เกิดไอ้วาทพะแบบนี้เนเสี น, น้ตวสาวตรนาขึ้นเพราะฉะนั้นการจับทำประาณิชย์ึ้เท่ากับว่าต้องการทำทำให้มีอานาจในการปกครองให้เห็นการปกครองจะต้องมีอนาจ ไม่ใช่ว่าเป็นการสูงใจหาเหตุไม่ใช่เง้นถอาในอรหารแล้วนะครับข้อสามถามบอกาศาสนาพุกที่ว่า จ, จะมีอายุห้าพันปีนั่นใครเป็นผู้ตรัสมาในพระไตรปิดกหรืปล่าพระไิดกนั้นมีมีไม่รู้แล้วก็ไม่มีพุทธิจารย์พวก้ที่ไหนเป็นนติของพระอัจฉริจารย์ที่ท่านพูดไว้ก็ไม่เช่วาลาเหตุที่ท่านพูดนะท่านพูดใ น, นกกอนาคตังสยามตกลงการนาคตเปลียบเหตุามปัจจุบัน เ้าทางนัพุทธถูกพทธศาสนาอื่นตีเจ้ามาจากอินเดียผู้พวกธศาสนาอื่นกดขี่ในลันตาน่ยตันตาท่านดูท่านเห็นอยู่ท่านนี้ถขงยนคำวิยากรในคำพิเศษตระกูาว่าพระชาวพุทธนะไม่ควรจะรักษาศาาให้ดีแล้วจะอยู่ได้แค่ห้าพันเริ่มต้นอย่างธรรมะจะสู่ออภิธรรมปีดกเสื่อมก่อนอภิธรรมปีดจะสื ม, มา้าประทานเสื่อมก่อนยอย น, นะเสื่มก่อนมาเรื่อยมามาเป็นลําดับกระทั่งถึงพันพระสูตรพรสูตเาจะเสื่อมชาดกเสื่อมก่อน ถาดุเสือ่อมกรรเชียงแล้วก็เสื่อมมากกเป็นลำดับลำดับทีเดียวกระทั่งบริยัติติอันตรธานแล้วแล้วก็ลิงฆ่าอันตรธานกระทั่งพระหรือแต่พระหลวงห้อยหูทาหํทาไร้ใช้นาในรู้ไม่เมียเนี่ยเป็นลำดับต่อมากระทั่งศาสนาศพห้าพันนี่เป็นเรื่องอนาคาตังสยานที่ท่านเห็นเหมือนกันในอินเดียในลังกาปืในใจท่านไหวจิงเขียนคําพยากรณ์ไห้อยู่ได้ศพห้าพันถ้าหากว่าไม่ช่วยกันรักษาเป็นอย่างนั้นอ่า ท่านพระขันทายถามมาว่าพระธูราณะเป็นอาหารหัหรือเปล่าการเผาหรือสังตกที่ไม่ต้องมีหรืออาชีพธิการทางาศาสนาเลยมีอยู่ในคนชาติไหนบ้างหรือไม่มีอพระภูรานะเป็นอาหารหันต์หรือเปล่านะไม่มีที่มาที่ไปครับทั้งในบาหลีทั้งใน จ, จะถาไม่ปรากฏการการสังเขาถึงไม่มีพิธิกรรมาศาสนาเลยนะมีอยู่พวกคนป่าคนป่าในอเริกาคนป่าในอเมริกาใตา้พอตายปุ๊ก็โยนทิ้งไปเลย หรือฝังไปเลยหรือเผาไปเลยนีม่มีพิธีกรรมถามบอกว่าแต่ศาสนาษาสนาเราเห็นแต่เราเป็นสำคัญจึงให้มีการเผาหรืการฝังเสร็จสำหรับการเผาน่ยไม่มีอะไรเป็นสำคัญหรอกอย่างในศาสนาพูทเหี่ยวเราไม่ถือว่าฝังเผาสำคัญทั้งสิ้นเราไม่ได้บัญอกพิธีกรรมเี่เกี่ยวกับพที่ต้องทอย่างนี้อย่างนี้สหรับศาสนาพามน่ะแน่นอนต้องเผาเพราถือว่าเผาแลเป็นการสงอัตมาลัไปสวรรค์ตาเอาแม่พระเพิ่งพระเพิ่งเขาเป็นคือเเป็นผิชายมผู้หญิง มีนักพาอัตามันไปสวรรค์ต้องอัตถะส่งคาไปก็ดูกระเทาะก็ไปลอยในแม่น้ำส่งคาให้แม่น้ำส่งคาล้างบาปให้ส่วนฝังศพนักธรรมชิเสราห์ถือว่าถ้าไม่ฝังแล้ววันสุดท้ายที่โลกจะดับพระเจ้ า, าจะให้เทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าตาเรี้ยนมาเป่าแตรถูกดวงวิญญาณของชาวคริสต์ชาวอิสลามถุดจากถึงฝังศพแล้วเขา้าคิวเรียงแถวใาพระเจ้าที่หน้าทันบรรลงังพระเจ้ า, าจะตัดสินกวามติดตามชอบ ใครพักดเนี่ยพระเจ้าอ็ให้ขึ้สวรรค์ใครในพักนี้ก็ลงในโลกไปเพราะนั้นต้องพักษสาวสศ ต, ตว้รษในการฟังเขาไม่ได้เขาเล่นหน่อยจะขอเดิน ม, มาวิญญาณเข้าล่างไปถือไปหาพระเจ้าไม่ท้อว่างันต้องถึงต้องฟัง อ, อถ้าหากว่าเราจะพิจารณาที่เหตุผลกันอย่างเป็น ก, นกนลางแล้วการเท้ากับการฟังศติที่ไหายดีที่สุดเท้าดที่สุดไม่เพลิงที่เวลานี้สิศทางก็ทลายหายากสักคนนึงไม่คลายจะอยู่เลยเอาผีมาอยู่นี่แหะย่จริงเพราะฉะนั้น่ะ เวลานี้ในยุโรปเองก็เริ่มเริ่มทัางชีวเผาแล้วคือสเตียนที่ไม่เช่งที่ไม่เช่งนะเขายุยรปเผาแล้วเขาว่าดีกว่าไปฝังอีกแล้วก็ศาสนายิวเขาเนียยฝังเหมือนกันรู ม, มันคาทาลิกเขาก็ฝังเวลานี้พวกว่าหุ่นสมองสายในอิตาลีเข้าใจคือว่าอิตาลีน่ะเนื้อที่ฝังศพมันลดแล้วมีทางเดียวฝังศพใส่ศึก ตั้งศลากาแล้วเอากฝังเป็นล็อกล็ๆกล็อไต่อไปถูงสามการเป็นถึงสามกตั้งยี่สิบชั้นเอาหายาจก็มามั็นติเข้าศึกเป็นชั้นชั้นังนบรรยากาศดีดี่นี้ดีไม่เครืองที่แบบนี้ังไหมะงนอากาศตังึสง้เอาศึกป็ติเปิดขึ้นไปไม่เครืองที่ในสมัยใก้สลินทานพระอน์ได <like Momo S 1> <Liberty> ้เข้าไปทีนถามพระศาสดาถึงวิธีการปฏิบัติต่อกระสุของพระศาสดา รัสาก็เดชรงลัดแมวิธีจาดงานผสมป็านนทรับฟังไปบอกแต่มันละก็ฝอีกตอนนก็วิธีการต่างๆที่พระัตสดาจัดแต่พระอนุนั้นเมื่ออ่านดูแล้วคล้ายๆกับว่าพระสัตวงสาอย่างทราให้บริษัจัดงานะสมนะของเร่งอย่างสมเกยิเช่นตงกาให้จัดทำผสมเขาเรงให้เหมือนกับผสมสมมาจักรพัฒน์อาตมาขอให้อาจารย์วีจาร์เรื่องราวตอนนี้ให้ใครสงสัยดูว่า พุทธประสงค์ท่แท้จีิงนั้นตรงมืองหมายอย่างไรที่จัดและวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้เรื่องนี้นะสำหรับการเห็นผมมีสองแง่แง่หนึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เป็นคำที่ถ้าสังฆีติการจารมุจุเข้ามาคือว่าเผชดที่สายที่คุณจะจ้าจะข่มขวาอย่างนั้นผพชที่สายที่จะไปากเาาขาว่าเอาผ้าขาวห้าร้อยรับมาทําตัวตรีรักษ์ แล้วก็เอาจิตกะตาิตกะราทานอ่ะปรงก็สนอปรงก็ตีละนี่สังกีติกาจามันจุกเข้ามาประการหนึ่งประการที่สองไม่ใช่สังกีติกาจามันจไมันจพูดจริงจริงแต่ก็น้องทราบนะครับเราทราบนะไม่ใช่ของหายาหรือของดดีไม่ใช่เลยเป็นของที่หาได้ทั่วไปง่ายๆถ้าบางๆหาร้อยสี่นับพันๆกพกันเองแหละเนี่ยแล้วคาว่าห้าร้อยเนี่ยท่าไห่ ผมได้กล่าวเรียนแล้วว่าเป็นอเมริกาสังขยามาชอไปมุดคุ้ยซื้อในตลาดพวงรัันอันน้อะไรเขาห้าร้อยอบางร้านจะหาหาหาสามรอยับยังไม่มีเลยต่อไปหาที่ร้านซื้อตำล่านสากร้อหลายสิบล้านก็จดซื้อห้ารับดี๋านี้แหละในกรุเทพอย่างเนี้ยถึงจะเขาสดไยขอสุดในหาขาหลาับตายจึงรับรองไปร้านข้าพวงรัศพันอันนี้นม่ครบห้า้อับให้เรามีมีเขาอะมีคราหน้าดียหาอะไรลหาแหง แต่ว่าพ่อขาวหาร้อยรับในใครั้งผู้จัดการนเป็นเพียงแต่ว่าพ่อขาหลายหลถึงแต่าพ่อขาหลายหลาถไม่จะลุนก็ต้องย่นให้มันจะไมได้งยืนตัวต่อห้าร้ยถไม่จาเป็นแด่กามาแล้วว่าน็ตจะฟังกระาแลวข้อนี้ที่เจ้าก็ไม่อยากจะให้พูดมออานนท์คืออย่าขึงขวายเลยหนึ่งตระกูลของเรานหน้าที่ของพวกกระสาพวกคณะบดีพวกคามที่กขาถือสถานคดี้พื่จัดการกันเองแต่พระอานนท์ขั้นท้เร็วหนิบอว่าไม่ได้ใหเจ้า่า อาเาพระโอ๋ไม่ถามไว้ถ well, ้าเผื่อถ้าเผื่อพวกนี้พวกอำนามาดีพวกกษัตริย์สุธาก็ถามขึ้นว่าอนุนจะจัดการการศรีได้พระศาสดาอย่างไรข้าพระอ๋ไม่ถามเพราตอบเขาไม่ถูกเขาจะติดเตียนได้ฉะนั้นต้องขอตีนถามพระเจ้าจีนจันทร์ไัแสดงแล้วที่แสดงบอกว่าให้เอากล้างง่ายว่าดูก่อนอนุนอาพระเถ้าอะไรขืนทํนสสุาโคตแล้วก็เอาไปเผาเช่ไหมวันยี้แค่นี้เองไม่ต้องจะเป็นข้อที่แสดงว่าพระโอ๋อยากจะให้ใหญ่โตสมพรเกียรติไม่เป็นีิครับ ไปวิเารณอาหารข้าวฟาง่ายดีนะครับไม่กินแลยไม่เดือดเลยถ้าพระองค์จับบอกว่าให้ปัญหาคดปลายแล้วจะเอาข้าวากนะล้างข้าวเจอข้าวโกแล้วต้องมีโค้งริดและเล่เโียงนะ้มันติดไปหน้าโกดแล้วก็ทวิเจตต้องทุกวันต้องมีคนสวนมีคนมาทาบุญให้ต้องมีประโคมนะแล้วก็ตรองมีละครมีหนังมี น, มน้มีนาฏยศตะกนตะขันจะทันการต้องแกะงานสดเยะแยะแค้ไยายไปเอออย่างนี้เข้ามาว่ากันเลยคถ้าพระสาวสุ dana ทรขนขวายเหนือสตรีละไม่ต่างกับชาวบ้าน ไม่เต็มเขาบนึ่งนี้อ่ะไม่เต็นเลยวิจรารณาของแท้เถอะเนี่ยผู้ง่างยว่เะเขาเขาสุดจักรพรรเป็นยังไงเขาสุดเราอย่างนั้นเถอะหมายความว่าเขาสุดผู้ใหญ่ยู่ใยญ่ในข้างนั่น่ะเขาไม่ยอมเผาเป็นยางไรตัเจ้าเขาสุดเราอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าเาเอาไปจากกับเลยว่ะเจ้มเขาเจอเก่าๆไปหอสุด แ, แล้วก็ทิ้งไปเผาทหมดเนี่ยโคตรราบุกระตัดโคตข้าวบดีเขาจะยอมไหมเขาไม่ยอมไม่ได้พระองค์ัย์ทีอย่างนี้ไม่ได้เขาบังคุณขวาอยู่ดีอะนั้นไหนไนเขาบังขุขวาเขาอย่างก จันซลยบอกว่าทากระตับยังไงจะทากัาอย่างนั้นพ่อาโดยชาพระอเป็นขัตยะยาเขาว่าเป็นขัตติยทีแล้วแต่เขาูกพระสมเกียิเป็นขัตต ย, ยะอยูาา่แล้วแกตูนตาพญากับพระองค์เป็นธรรมราชายิง่งเนขัตตยะซะอีกนะข้อนี้ไม่แปลไหครับข้อนี้อ่ะท่นนานท่านท่านทลีามองว่าที่พระเจ้า แสดนี้นอาพอน่ะคล้ายๆแสดงพระองค์ก็อยากจะอยู่ในโลกทาไมพระองค์ไม่แสดงอีิชีวิตทดีต่อไปเลยทำไมต้องให้พระอนราชนาไม่เรื่องอะไรอะไรนี้สำคัญสำหรับปัญหาตอนนี้เราต้องพิจารณาคว่ากลับจะยิ่งกว่ากลับกลับป่าในที่นี้ไม่ถึงอายุกลับป่าไม่ใช่โลกกับกลับป่านะอายุกลับปาของมนุษย์อายุกลับป่าของมนุษย์ไ่ป่าดิะคาดินไม่ใช่ กระปาในครั้งนั้นน่มีเรื่งเอาอายุการของมนุษย์แต่ละครั้งเป็นเกณฑ์เึ่งครั้งทุตการมนุษย์มีกําหนดอายุร้อยิบปีเป็นอย่างสูงเวลานี้ถอยลงมาถอยลงมาเลือกครั้งนั้นเมื่อสมัยสองพันปีมาแล้วกําหนดร้อยี่สิบปีเป็นอย่างสูงถ้าทราองค์เจ้าจะเป็นอยู่ได้จะอยู่ไม่เกินร้อยี่สิบปีที่จะทรงอยู่ได้แต่ทําไมพระ อ, อ, องค์เองต่อย แ, นนแค่อานนท์อาราธนาก็เพาะว่าถ้า อ, อ, อง์เองน่ะพูดง่ายว่าเวลานั้นน่ะพระองค์จะดับขนบันก็ดับได้ ไม่ดับขันก็ไม่ดับได้ด้วยอาศัยปธิบาตภาวนาอันประกอบด้วยปรานและสังขารผู้มีงานว่าเข้าอันนี้มีปั่เจโตสมาบัติเมื่อเขาอันนี้มีปั่เจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอาพาจากปรุงล่างการให้มีพลัระปริกระเป่าขึ้นมาได้ก็มีเพอนชีดต่อไปกสักสิบปียี่สิบปีแต่ยังไงก็ตามไม่เกินร้อยยี่สิบจะต้องนิพพานแน่โอเคพระมาราธนา่ะ เวลาพระองคก็จะบอกกับว่ า, า แ, วแก่หงมแล้วร่างกายราไม่เปลี่ยนข้ามขาที่ต้องอาศัยไม้ไผ่กระทังเนี่ยถ้าจะดูได้ก็อีูด่ดลังใจตัวเดียวที่จะทําให้สรีระพระอง์อยู่ได้ถ้าพระอนาารัชนาเขา้าพระองค์ก็จะได้อาศัยที่ราอ์าารัชนาน่้าอ่ะทาให้พระองค์น่ยมีกาลังใจที่จะอยู่ออกไปทงคาราชนานแต่เมื่อมีใครราชนานล้อพระองค์ก็ทอดอะไรพอถึงการที่จะดับขันแล้วเรื่องของเรื่องเชียงเท่านี้นน เรื่องขอ ง, งนุ่นองนี้เองคือต้องการให้พระอรุ น, นะมาบอกมามาอาราธนาบอกว่าขออยดีต่อไปเถอะเป็นการอให้กำลังใจง่ายง่ายให้กำลังใจให้เจ้าพระ อ, องค์แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ไมใช่หมายความว่าพระเจ้าป๋าใส่ถึงคนอื่นนไม่ใช่นะต้องหมายอย่างนี้ว่าที่เขามาให้กำลังใจนะ่ะพูดง่ายง่ายว่าเหมือนคนเราเหมือนพระม้าจักดชาวนาพระมาจกรดีมูราเแล้ ว, วย่อมมีสิทธิที่จะเสดงเข้าลอกออกมาได้ใช่ไห ท, ที่อำนาจมีอยู่จะเข้าไปบ้านได้เมืองใดไ ด, ได้หมดกระสับกระสิสมัยส ม, มุนนายาสิธิราชอำนาจอยู่กับมือหมดทำอะไรก็ทําได้แม้แต่จะเสวยละในการจิตวิญญาณก็เป็นได้แต่ทำไมต้องอาศัยครามเวลาขึ้นประทับนางพระท่านพระรบิุกในบันบริวรารชาวพิเศษต่อสายครามถวายแผ่นดินถวายแผ่นดินแล้วก็คุณนางเวียังวางคลางนาคุณนางเวียงถวายเมืองคุณนางวางถวายคุญแจววางคุณนางนา อาถวายศรี น, นาอาบอกเก่าอันถวายแล้วก็สุนทรเป็นพิธีการนับเปพิธีการความจริงอะถึงแม้ยึด ม, มีพิธีอย่างนี้ก็คงเป็นกระสับกระสือหมุนแล้วโดยนี้ตีไหนแล้วนับจากวินาทีแรกที่กระสับองค์เก่าสมันคตและก็องเป็นสืบสมัยปีวงศ์แต่ที่ต้องให้มีพิธีกรรอย่างนี้น่ะเข้ากับเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งยืนยันความปรารถนาเป็นเอเนกกรรมโมส่อนุกรสมมติขึ้นมาชั้นใหญ่ าพ า, พ า, า, าู้มีเสื้อผาใส่ชั้นนั้นเของค์เป็นธรรมราชามีสิทธิมีกาลังใจมีอำนาจชั้นาสมาบัติที่จะทำยังงู้นทำยงนี้ได้หมดแต่ก็ต้องรอโอกาสให้สาวุคาราธนาเมื่อโอกาสให้สาวุคาราธนากิดเมื่อสาวุคราธนาแล้วพระองค์ก็เอาละเราจะอยู่ต่อไปละ อ, อุปมาบุตรหมากรับรพรราชน า, า, ชาจาอนเนกสมุทรนี่ก่อนสมมุติขึ้นเป็นกระสับชั้นไหนเป็นชั้นนั้นไม่ใช่ยันหยาไม่ใช่ไม่ใช่ปีหาครับ เขาาอยากอยู่ด้วยยินดีถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยพร ะ, ะงกำลังกรุณายังกรุณาต่อสัตโลกอยูถ้าพระองค์จะอยู่เป็นประโยชน์ต่อสัสตวโลกอีกสักยี่สิีพระองค์ก็ยินดีก็อยู่ยินดีเลยที่นเป็นฉันทะฉันพิธิบาศไม่ใช่ปันหาไม่ใช่เป็นฉันพิธิบาศนะฉันบาสปัญหาต่างกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ คือว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพระรากกมกลังพระองค์องหอมเต็มทีแล้วเหมือนผลไม้กลังจะหลุดจักขัว้วจะหลูกไม่หลุหลายอยู่แล้วนะพระองค์ก็ปลอยให้มันถอยไปเลยถึงมมนจะถอยไปเลยบักไปเลยแต่คนนี่พระองค์ทำก็ยังอยู่นี่นยังอยู่กับสมุทโลกอยู่อักันเป็นคี่ถึ้น อ, อนาาร์โกยังอยู่กันแยะเพราะองค์ไม่กยก็เพราะนั่นคือบอกาอิา ม, านนอามาน่ะอิจมาน่ะอิมานความจริงมาแวมาตั้งตพระองค์ตัดมุรลกใหม่ๆนะที่ปากลิมาับมาแล้ว ในระหว่างที่สมัยที่สุดน่ะมานมาแล้วอาจจะปาลังโคตรอีกทางหน่งมาลักนณะบอกว่าพระโคดมขุงขวายน้อยเชียอยาว้อยอยา่าไปตั้งจับมาพุทตังสอนขาโให้เหลือยากเลยเมื่อรุ้พ้นแล้วตัดช่องวมานี้เอาตัวรอดรีบดับขันไปตัเลยพระสัสดาขับไล่มนบอกมานไม่ได้ตราบใดสาวก ส, สาวิกาที่สุดที่สุดในอุบาสิกาของเรายังไม่สามารถ ปฏิบัติทำต้องควรแก่ทำปฏิบัติข้อบปฏิบัติตามทำอยู่ยังไม่สา ม, มารถประากาศธรอาจารย์ของเราด้ยดีให้ใครรอดในเบื้องต้นใครรอดในข้ า, ามกลางใครรอดในที่สุดยังไม่สา ม, มารถจะต้อพระรัตาวาสของคนต่างาศาสนาตา่างนักพิธีที่มาย่าดีต่อาศาสนาได้ตราบนั้นสถานคดยังไม่ดับขันมี่ผ่านพูดอย่างนั้นมารก็ลาไปในพรรษาสุดท้ายที่อาพาธหนักในบูรีสาลิีมายมารตัวนี้กับผมทำไม มาบาว่าไ้เวลาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จำคำปฏิญาณเมื่อ45ปีก่อนโน้นได้ไหมที่พระองค์ประทับอยู่ที่อัชบาลมีโคตรเปนไายอันมีพักแห่งเด็กเลี้ยงแค่ที่สมองรในลอ เ, ลเสนาในมคมจำได้ไหมมาถึงสัญญาเจ้า ก, กับพทธเจา้พจาพรธเจ้าเอาจำได้อย่างโศลีมันบัดนี้น่ะาสาวว่าสาวิกาที่สุสุดนีอบาสาอุบาสิก า, า, าเราแพ้หลายแล้วพราจาเราเป็นตึกแนแล้ว สา ม, มารถประกาศทำทั้งไายรอดในเบืงต้นท่ามกางที่สุดได้ดีแล้วสา ม, มารถแก้ประวัติาสตต่างได้ดีแล้วเอาละคมแต่นี่สามเดือนเราจะบอกคำท่านเร็นปทานบอกครรมพันหน่่งพันงั้นบอกได้กระมานนงั้นอันนี้แหละเป็นสาเหตุว่าถึงแม้วาพระเจ้าจะมีานว่ออายุแสิจริงก็ใช่ห้องในใจไม่ใส่กกระมแต่ช่งนอที่งลกไปในเมื่อหองนี้ได้ถ่ายทอดความรู้าสาวเต้นเตียมดูกร อ, อนอ้นจับมือห้าจันไม่มี้ดูให้ลูกสิหมด ไม่มไว่าไอ้ตรงนี้ยักเอาไว้ถือหลุิษย์คิดว่าอูแต่งยักเอาไว้ไม่นก็ไม่เห็รู้ไม่มีพระเจ้าไม่มียักความรไว้สำหรัถือความรูขนาอาจารย์ไม่ดีบอกว่าความกำมืงอาจารย์น่ีเปิดเผยหมดเพราะฉะนั้นในเมือ่อบรรดาภาษา ว, ว ท, าท่านผง้หญิงท้งายทาัานขร์เขามีกำลังมีความสามารถจะประกาศศาสนาดดีดททนพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ไว้วางพระทัยได้เพราะที่จะนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้นิพพานเมื่อี่สิก็ไม่ใช่หมดเสียเมตตากล่าวครับเล่าแต่ถ้า ลักษณ ะ, าาะ่างยืนต่อไปอีกแคยี่สิบีก็เป็นผลคอยได้ของชาวโลกที่จะอยู่มีโอกาสเห็นมากพระ อ, องค์ต่อไปอีกานานๆหลุยส์หลุยเงท่านี้ เ, เองนะครับอถามบอกว่าลูกข้าขอเป็นอนันตริยกรรมตตะลกถึงอเวทีแต่ทำไมพระาเจา้าข้าศตรูจึงข้าข้อจึงไปตกแค่โลหกุมพีต่เพราะว่าอาจารย์ศัตรูทำมหาภูศนอุปถัมสสมุทันไชนาหนึ่งมูลระวัดสิบแปดตำบล รอบๆมัน่าจะเคลียร์หนึ่งแล้วก็อักกับใจเป็นธมาทิฏฐิหลังจากฟังสามัญญผลสู่ที่พระพุทธเจ้าแสดงหนึ่งทูลขอธมากมกับพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองหนึ่งสี่ข้อ น, นี้เลยถอนกรรำตกแค่ระหกุมพีแทนที่จะไปอยู่บางขวางก็อยู่ยแค่ระหูหลงๆแค่นั้น ร, รับรับรับาพสรสานว่าข้ า, ขาจริงแล้วมีความดีอย่างอื่นมาชดเชย ฐานก็เลยแม่ตาขัดถึงอยู่แค่ติดระหูพอเมื่อไรเมื่อสมัยที่พระองค์ทรงข้าพมิพานท้าบ้างหรือไม่ว่านางพิสุณีสูญแล้วหรือยังถ้าไม่ปรากฏว่ามีนางพิสุณีเข้าร่วมในข้างนั้นน่าจะปรากฏถ้ายังมีอยู่ถ้าสูญแล้วเหตุใดในสมัยหลังมาจึงปรากฏนางพิสุณีขึ้นมาอีกขอความสว่างด้วยยังไม่สูญนางพิสุณีมีอยู่สิครับ ในสมัยที่มุกคุชินาราก็มีนางภิสุ น, สนีอยู่ิสุนีอยู่ถ้าไม่นีทถาไม่เที่ยงกับกว่าดูสอนอน น, นพิษุภิสุสนีอุบาสกอุบาสิกาได้แต่อย่างนี้ถ้าหากว่ามีความอนุสาวถึงเรานะจงไปสู่สังเวีเมีอฟานศรสีสม บ, บนแต่ไกรุงธรรมสังเวีนที่นั่นจะเป็นไปเพื่อสุขติโกสัจหลัแก่พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกานั้นๆก็ะพบข้อในแสดงวนาภพิษุนีนี้อยู่ในคังที่ิญญผ่านไม่ได้สูญหายไปไหนไม่อยู่ อาอจารย์บอกว่าพระมาลายเกิดพลงังพุ้ดีามผ่านหลายร้อยปีจะไม่ขัดกับเรื่องที่ว่าพระโมคคัลลานะสุดสอดดีผีจ้างโจนทุทธข้างนำข่าวสามสัตนรกมาแจ้งกับประชาชนหรือและในนังสือเทศหนึ่มาลายก็มีพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเข้ามาลาคุณละองค์นะครับคุณละองพระโมคคัลลานะข้าพุทธกาลทํามาลา ย, ยในลังกาและเรื่องที่เทพเรื่องเทพพระมาลายมีเรื่องโมคคัลลานะเป็นเรื่องเล่าข้าพุทธกาลมาเล่า ตอลักษณะคล้ากันคือมัลงมันลบไปยิงตวันแล้วอาบาปมันมาไล่ทารุกบางคล้ายๆกันขอให้อาจารย์ช่วยปิบาติเลยปฏิบัติสี่ทำใม้มีชีวิตอยู่ได้ช่วกับช่วกรรให้เห็นแจ้งเบื่อไอ้ช่วกับช่วกรรมนี้กรุนาอย่างนี้ก็เป็นอายุโองโลนอยู่ค้ำฟ้าค้ำดินอย่างนี้อย่างนั้นนะเพียงแต่ชั่วอายุอายุกับอย่างคนรี้ถือว่า75็สปีเป็นเกณฑ์อยู่ตัวจ็ห้าก็ถือว่าอายุหนึ่งกลับแล้วจะบอกอายุปิบปเลยอายุเกินหนึ่งกลับไปแล้วอายุใครในรัฐปัจ ต้องเป็นลาบของฉีต้องเรียกว่าอายู่ได้เกินหนึ่งกับอยู่นี่นะอายุอายุเกินเจ็ดสิบหดิกขึ้นปล้วจบอกาองอายุเกินหนึ่งกับแจกบัตรถ้า้องอายุได้มาสบายมุิตาบัตรว่าข้าพเจ้านี้อายุเกินหนึ่งกับแล้วก็าถามว่าหกับหมายถึงอะไรหมายถึงอายุกับตะไม่ใช่อายุของโลกอายุของโลกรนะนาบไปทวนปีกับหนึ่งปฏิบัติีในที่นี่นะหมายถึงชั้นทิพิบาทประทานและสังขาร ติดติบาร์ประานเราสังขารปีมางติดติบาร์ประานเราสังขารมาถึงอย่างนี้อธิบายตีวิิยิบาร์ประานเราสังขารคือว่าอิทธิบายอันประกอบด้วยประธานเราสังขารได้แก่กําลังแห่งสมาบัติอย่างแรงกล้าคืออันนี้มิจเจโตสมาบัติเมื่อเขาอันนี้มิจเจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่มรนดาอาพาธออกจากกายได้หมดทําให้ร่างกายจะปรีกกระเปล่าออกจากสมาบัติแล้วโลกที่นี้อยู่ก็หาย กำลังกายแข็งแรงกับปีกับเปล่าดีอย่าว่าจะพิการาทีาทนะ่พระเจ้าทําได้น่ะถ้าสงฆ์ในเมืองไทยเราได้ทําได้ท่านอาจารย์มั่นธุริทัตต์อาจารย์กรรมฐานมีชื่อเสีางอีสานที่ท่านหลวรับไปแล้วประมาณสิบกว่าปีเป็นอาจารย์กรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากท่านผู้นี้ข้างหนึ่งเคยอาพาธหนะักใน่้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านได้เข้าจเจริญ อ, อิสิบะตามใน ผู้ที่ผู้ทีจ่าแสดงไว้เข้าอันนี้จาเจโตสมาบัติพอจากสมาบัติแล้วอาพาธทีเป็นอยู่หาให้เป็นสึกธิ์ทิงเลยร่างกายคืนสุขภาพแข็งแรงกระปรี้กระป่าหมดไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บมาลุกชวนตลอดปีนั่นทันทีไม่มีเลยเนี่ยแล้วอาพาธที่ได้แค่เข้าเข้าสมาบัติขับไล่อาหาธทุกทีจนกระทั่งถือวางสุดท้ายต้องปล่อยไปตามธรรมธรรมดาสังขารสูญสังขารไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเป็นดุอาอายุขยะบ่อนะ ตายโดยผลผลไม้กงาะสุกล้อมหล่นลจากขั้วเองไม่ใช่มีใครมาปริหรือว่าถูกอุัติ่ามันเป็นอุบัตวิวาบารณะไม่เป็นกมกรมคญาตนะิบารณะแต่เป็นอยุขยะบรารนณะพอเป็นอยุขยะบรารนณะแล้วไม่มีอำนาจใดๆมาสูงได้เนี <Yeah. S 1> ่ยตายเพราะสิ่งอายุถ้าตายเพระสิ่งกรรมตายเพระเหตุอุบัติเหตุอย่ยงางนี้ตรรมอนช่วยได้ฉะนนก็ตาพระสิ่งกรรมเราสร้างกรรมดีมาเป็นมหาจุศ โดยการรมพยัาชนะได้เยอะหน้าพยัญชนก็ต่ออายุไปได้ข้าองค์หนึ่งร้าเป็นขน้นาราชการบวชที่วัดไร่จตัดิศหลายปีมาแล้วแล้วก็ขึ้นลงในบทความเรื่อและลรากล้ำลึกชิ้นหนึ่งบทความที่นั้นจะเล่าถึงเมื่อยังเป็นขันัดอยู่บาตตาได้ตั้งสามวันแล้วขึ้นมาระหว่างสามวันก็เห็นคนใส่เสื้อแดงเเกเต็แดงมาเอาตัวแกไปแกอยู่มาบานไปถึงเขันไในขาเป็นศาลเปิดเป็นคีดู เมื่อวันนี้ถึงที่ตายแล้วไอนั่นจะต้องตายไปตามกรรมแต่ก็ตกใจระหว่างที่ตกใจก็มีเสียงร้องเมื่อวันยาพุ่งไอ้ยัยคนถึงที่ตายเอ่อเสียงอะไรไมันลอกออกมาล่ะมองไปตดินต่วลึกลาออกมาจากใต้ขั้นหนึ่งสะบานบอกว่าเขาไจะไม่ถึงที่เมื่อเขายังเป็นเด็กอยู่เขาเคยช่วยฉันฉันถูกคนจับเอาไปจะไปต้นแกงเขาช่วยฉันเอาฉันไปปล่อยไปในนาเขาจะมีความดีอยู่ไอ้นั่นต้องอ่ออายุให้เขาหน่อย ดูมาบ้านก็เปิดบัญชีดูอีกว่เออจริงวันนั้นเดือนนั้นเจ้าเคยทำความดีโดยการช่วยต่อชีวิตตัดเป็นอภัยทานฉะนั้นจะต่ออายุให้ไปอีกสิปีตัดไปแล้วอีกสิปีให้มันทำความดีไว้นะอย่าไปสร้างบาปอกุศลกรรมเข้าหลังจากนั้นแต่ก็ะพื่อขึ้นเข้าพามาส่งกระเพื่อมเพื่อแต่นั้นมาใจเชื่อบุญเชื่อกำเลยตอนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เชื่อเลยเนี่ยเวลานี้สูุลาวยังมีชีวิตอยู่เป็นคระหัตแล้ว เพียงความดีช่วยเต่าตัวหนึ่งต่ออยุถึงสิบปีอันนี้โรด่มะขยะบรณะแต่ถ้าเออมีกรรมดีมาตัดมาช่วยเลยต่ออยุได้แต่ถ้าเป็นอยุขยะบรณะและ้วหนึ่งทางนะแต่อายุเก้าสิบฉบับหนับแลบ้วบอกขอต่อไปสักสามสิบปีเถอะโอมไม่ได้การละใจยขยะผละไม้ที่เหล่านมต้องหล่นแล้วเนี่หหยหรือมีเงินท้าถามมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประนิทานแล้วยังไม่ได้ไวถวายพระเพิง รอให้พระมหาจกักกเดินทางมาถึงเสียก่อนเมื่อพระมหาจกักถวายการเคารพตามตำนานแลพระองค์ยื่นขบปบาทออกมาให้พระมหาจกักรมัสการข้อ น, นี้มีวความจริงเพียงใดเมื่อถวายพระเพลิงสรากฏว่ามีไฟลุกขึ้นมาเองโดยไม่มีใครเผาข้อ น, นี้มีวความจริเงเพียงใดงกินทุกขอเป็นพุทธปฏิปปาิหารพระมหาจกักมาจะถวายบองคมพระพุทธบาทของข้างก็ยื่นออกมานี่ก็เป็นพุทธปฏิหารนหารจริงๆไฟเผาเป็นเองก็เป็นไฟเทวดาจุดเทวดาจุดไฟไปสวรรค์ ลงมาจากสวันลงมาพุกนีงานม็ความร้อนจากเตยโชธาในธรรมชาติลุกทึบขึ้นมาแม่กระจันในตอนนี้เป็นดาวเวลา่ก็เป็นดาเไม่เชือก็เอาไม้องอันมีสีกันเนี่ยเอากระจบไปสองดูแล้ไป ส, สวัติตึ้งมาเหมือนกันเนี่ยมันจะเอาสายไม่ขีดไม่ต้องหรือไอ้ของมัร้อนกระจบก็ร้อนอ่ะไปตั้งเงาเผาแดดเอาัองแดดเข่ากระดาษกระดิกระดาษลุกไหมเลยเนี่ยเข้าจเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงครับตอนนี้เนี่ย ถ า, าถามเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่กว่าคนเราแต่ในอาตกาาเสนาสนะคันธกะเสนาสนะขันธกะตอนว่าด้วยเท้าเตียงและต่างให้มีเท้าสูงไม่เกินแปดนิษษ้พระสุจพ์ท่านแก้ประมาณนีษษ้พระสุพจน์ว่าสามนิบุรุษกลางคนเป็นหนึ่งนิสุขพระสุขพศสามคือคนกลางคนเท่าหนึ่งคือสุพจขพศในความว่าพระองค์คงจะใหญ่กว่าคนเราถึงสามเท่าทุกทุกส่วน และลักษณะบุรุษที่ว่ามีนิ้วกระหัดเสมอกันเป็นต้นช่วยแก้เป็นสาด้วยเรื่องนี้ท่านก็อ่านแล้วว่าเป็นอัอถคตาอัคคตาท่านเชื่อท่านเป็นผู้เจ้าใหญ่กว่าคนท่านก็แก้ตามความเชื่อท่านแต่ในพระบาลีผพิจาราเท่าตนไม่ได้ใหญ่โตคนละสามเท่าสีเท่าไม่ไม่ได้ใหญ่นะครับธรรมดาถ้าใหญ่กว่าตนคนสามเท่าสีเท่าแล้วจะไปแลดั้งขาสีธรรมะกับผมได้อย่างไรนีุ่่มไปแล้วตึ้งโตออยู่แค่ลาพัานธ์เหรอแล้วคนละสามเท่าสีเท่าเนี่ย จะล่ฆ่ามเขาแต่ไอย่างไรเนี่อันนี้เป็นหลักฐานยังเมือยังเป็นคาิฮัตอยู่จะไปอยู่ข้ระนารพินพาได้อย่างไรอยากคุณาเท่าสีเท่าอันนึกงนี้ก็นึกอย่งนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก้าอยากจะคุณามเท่าสีเท่าแล้วเวลาหมอสีวกจะไปฆ้าตามัดเขาจาฆ่ากัวเขา่าเพราะฉะนั้เขาดดูไปออกว่าใครเป็นผู้ตเจ้าเาไม่เคยฆ่าผู้ติดเจ้ามาก่อนแต่ทางหมอสีวกต้องบอกว่าองค์ที่นั่งอันพระกิตบังไปทางทิตะวันม ถึงพระพักตรทางบุรุษพาทิศในถ้ำกลางสงอมนั่นแหละคืพระผู้มีราาพระภาคเะจะเ้ากต่อาแต่ตะูจริงไปไหว้กราบพระบาทถูถนนพระอง จ, จะสูงใหญ่ยวา่าคนตั้งสามเท่าสีเท่าแล้วมอสีสห์ก็คือห่าอันเดียร์วะพระองคที่ดูร่างใหญ่โตเป็นยักนั่งอยู่นี่แหละพุธเจ้าเนี่ยหมดเรื่อเท่น้เา่ะนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งพระ น, นหน้าต า, มมา ร, ระพิทจ้าทุกอย่างใครๆก็หลงกลหลงไหวพพุทจาเนี่ย ถ้าทำใหญตัวคนยังสามเท่าสี่เท่าแล้วเอาจะมาหลงหลงกาหลงว่าพระนรนรู้ว่าพระนรุอรูปล่างเขาผู้จิตจ้ารสามท่าสีเท่าเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วพระนรนจะไม่เชื่อเป็นคนในรูปร่างหล่อรูสวยในู้จตรจักรเาถือหล่อนะผู้จิตจักรของเราในรูปหล่อเป็นชายงามแม้แต่บุรุ่เทพก็ยังหลงอย่าว่าแต่สตรีเทพผู้รุเทศยังหลงันได้กับพระมัคคิล่ะ เพรว่า ก, กรณีตับบวนะ่ะไดูอะไรบวเข้าหลงพระพทจ้าบวแล้วมันเป็นอันทอะไรนั่งวันแล้วก็งันอชมพระพกอยู่นั่นแหละแหมหล่อจิงนะหล่อง้ั้นหล่อิ่งนี่ขอพุทธเจ้าอย่างั้นนะนี่เพราะว่า ก, กรณีอ่ะเพราะกรทแกบวชข้อความหลอพระพทจาเป็นเหตุนี่แล้วพระพุทธเจา้าเขาลูกหลันใหญ่โ ต, ตั้งาสาข้าสีข้าจะห ล, ล่อเลยลูกหลังนี้ธรรมดามืเอไงโอ้แงอสั้งสองตั้งว่าหน้าตาน้ า, นาตัวขนาดเด็กถึงเก้าสิใจร้องไห้เลยเด็กนี่แสดงว่าพระพุ มาเที่ยวสิู้คนมากมายอะไรส่วนนี้ผู้หาตถสมอกัเนี่เป็นมติแนวอัตกระถาตั้งขึมาครับผู้หัตถสมอกันแทนที่จะนำกลับหน้าเกลียดเห็นแล้ววิ่งหนีนี้เราอกว่าสมอกันนี่้หัสมุทัแล้วมีน้าต้นแขนยาวถึงข่ามันไม่ใช่คนนมันจะไปวางนอนนะยาึงเผ่าเลยอะพิเรนทร์เราต้อมีลักษณะอย่างนั้นหรอตนานมหาภิลักษณะนี่เราก็หาว่าอย่าไปเชื่อร้อเอย่าเชื่อตามคำในตนานมหาภูริศลัาษะนลานไม่ได้รอกไม่ได้ พลรนาคาตัวตามตัวลงสือั้นสิงสงไม่เชื่อก็จกดฟองดีแขนยาวสิงเข่าเดินเวลาเอ่อมอเท่ามียาวเท่ากันตายจรงมันมคนอะไรก็ไม่รู้รูปร่างนี้น้าหน้ากลัวเนี่ยพรอเจ้าเราไม่มีละลักษณะอย่างนี้ร้อเปรนเด็กขาดมีรูปร่างนี้รธรรมดาทุกอย่างแต่ว่ามีความสวยงามดีกว่ารูธรรมดาเป็นยาง้น เขาพุทธศรีละแล้วปัญหานี้ดีมากท่านสิริชัดโตถามนะครับหลังจากเขาพุทธศรีละแล้วปรากฏว่ามีผ้าพื้นหนึ่งที่ไม่ไหมไฟข้อนี้เป็นที่ฐานว่าอย่างไรและผ้าพื้นนั้นเป็นผ้าสื้ี่วันที่สุกศะถวายใช่หรือไม่ไม่ใช่ผ้าพื้นนี้เป็นผ้าเวลาไม่ก็มีผ้าไม่ไหมไฟท่านเชื่อมไหมเดี๋ยวนี้มีใยชนิดหนึ่งที่เท้าแยกจากคนทุบทอเอาแล้วเวลาเวลาจะปัดนะ แค้นเรียพักน้ำต้องเอาไปแยบไปในกองไฟให้ไฟซักซักไฟซักแล้วไอ้ขี้ใครไอ้ขี้เหือออกหมดแล้วป่หุนาะอาดเอามาอมมามามาใช้ได้ถ้าเวลานี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนิดนี้่ข้างผูจการมีอยู่แสดงความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในอินเดียเจริญกว่าพวกหรั่งจะคิดขึ้นนี้นรกว่าปีอันนี้ไม่ใช่เริญ ถามบอกว่าเลขที่หกสิบเก้าถามขอถามด้วยความสงสัยว่าคนบางคนน่ะได้สมสู่อยู่กินกันมานานตั้งสิบยี่สิบปีแล้วไม่มีลูกเลยเพราะเหตุใดเป็นกรรมวิบากอะไรเออผมว่าไม่น่าจะถือเป็นกรรมวิบากที่ไม่มีลูกนะไม่มีลูกนะคุณจะขอบใจว่าเราหนี้น่ะไม่มีบ่วงมาถูกคอตูกขาตูกข้าวอาไวชีวิตเป็นอิสระเสรีเป็นตัวงตัวเองจะทำบุญทําทานก็เป็นที่ไม่ต้องหัวว่าต้องเก็บอารมณ์ให้ลูก หลานจินเจะเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ตายยายสองนงจจงอมนีท่าจะกินหรือลม่ก็สมุนจำทานเป็นกำไรขอ้ชีวิตไม่น่าจะถือว่เป็นกรรมวิบากแต่ถ้าจะพือว่าเป็นกรรมวิบากก็ต้องือว่าคู่คู่นั้นน่ะไม่เคยเคยผ้ารูปผ้หลานคนอื่นเข้ามาก่อนหรือไม่ฉะนั้นก็เคยําแช่งคนอื่นเข้ามาก่อนเป็นที่ต้องมีลูกตลอดชีวิตไปใข้อ ท, ที่ถามพระพุทธบัชี30ลูกตามยิ้โตเฮนีพระพุทธเจ้าแล้วเขาสมบทได้ผ้าชีวอนที่ไหนกันผ้าอยู่ในป่า หรือพี่จ้าไปด้วยพระโทเอริพิคุนเนี่ยหลายคนหลายต่อหลายคนบาดีบอลมาเพาะสุสนุนคือบางทีเคยทามูลทำทานในสมัยกีบอล้าสมายบาด้าเนี่ยท่านบอกว่าในภาคต่ต่อไปถ้าหาว่าจะเป็นอลหาหันต์เองพิขุรแล้วบาจดีบอลรอยนะเองไม่เกิดของขู่บุญจะเจมาเพราะผลลาพธ์ที่ทำในะุูณชาติท่านชินว่ารพิขุถามมาว่าพระภูมิที่ชื่อว่าเอราวัต ตามความในคันสลิปทิ่ว่าเอราประเทศฮิเมเมตังนั้นมันมีชนิดกรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอยากรู้มาหลายปีเต็มทีจะว่าเป็นประเทศเป็นประเดหรือประทะหรือบทหรเท้าก็จะกลาจเปนว่งูมีท้าเดียวก็เป็นไปไม่ได้นะสองพระมหานิกายรุ่นเก่าซึ่งในบัดนี้ก็ยังมีอยู่ผมทีวอนคูมีลูกบวว และผมดองผ้าสังกติรัตตอกอย่างรูดหล่อท่านเด็กพระสังฆราชสุกในโบสถอย่างนั้นอาตมาดาเอาว่าจึงเป็นแบบสืบเชื่อสายมาแต่โบราณจริงแต่ทำไมทุานท่รูปจริงไม่หน่มห่มอย่างนั้นช่วให้ความเห็นด้วยข้องข้อนะฮะข้อแรกเรื่องตระกูลงในคำทับบาริสเนี่ยพัลณาไปกั่ชายจีเพราะว่าตัวงูที่ชาวอินเดียรู้จักกันในขั้งตอนน้นซึ่งขั้งตอนนี้น่ยชื่อหงูก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยนิยมเราก็ไม่ทราบเหมือ่กัว่างูประเภทใดเป็นอย่างนั้นแต่คําว่า เอราวัคทีหรือเมเมตังในที่นี้นะอย่าไปแปลตามตัวเป็นงูเท่าเดียวหรือบทเดียวไม่ใช่ครับในที่นี้เอาความว่าเลื่อนไปในทางเดียวเลื่อยไปพุ่งไปในทางเดียวงูทีเลื่อยพุ่งในทางเดียวนะฮไม่ใช่ไปตามตัว่างูมีเท่าเดียวไม่มีงูหนหนึ่งที่มีเท่าเดียวถ้างงูจะมีหลายเท่าเลยมังกรมังกรก็อีกเลนสกุลสกุลเดียวรักวัโทีมังกรนี่คือตะเข้กันเองอะเดวะะโขมังกรนี่คือตะโขงหายาตะโขงหายาตะโขงตะโขงกับตะเขก็สกุลเดียวกัน นูที่นี่เขาอห้อกไปในทางเดียวเลยครับข้อความอันนี้อ่าส่วนี้ข้อหนึ่งที่บอกว่าธนาริการุ่นเก่าผมจีวรมีลูกบวกนั่นอ่ะข้อนี้นะครับการผมภาพแบบธนาริการเนี่ยรุ่นแม่รุ่นเก่าก็ลุกไม่จะแ่งแบบข้าวุติการรุ่นผมรุ่นผมแบบข้าวุฒิการน่ะผุมย่งมางธนาริการ์ถูกแล้วแต่ไม่เอาเบอรเขาไปในจีวรไม่มีลูกบวกไม่แต่ลูกบวกพอค่อยๆพลาดควายจะไม่ใช่ไม่เชิงพาดควายพอหนีดแล้วก็พาดขึ้นเฉยๆเลย ไม่ตลบขึ้นที่าเอาเข้าถ well ้าขมแบทที now, ่แล well ้เป็นับทูนแบบคันธาระกะมาวดีคงเปียะเลยกรงเีะเรมบทเนี่ยยามีเท่าไรซีอน่างนี้ยอันแล้วก็เอาขึ้นตลบขึ้นที่จาอยากอาขแล้วก็ปวัตขึ้นบ่าเลยขมแบบนี้แล้ราเทียกับทับทุอินเดียสมัยอมราวดีทับทุสมัยคันธาระ่รเจดร้อยสองร้หร้อ่เจ็ยับขมแบบแบบนี้ดูที่ไม่ไม่เอาซีลอนต้ลขึ้นที่าก่อนนะฮะ เหมือนเปี๊ยะอินเดีเป็นแบบเก่ามาจากอินเดียต้นกำลังาจากอินเดียจริงจริงที่มันดับแปลงกันเวลาไคดข้าบเอแบบนี้่เป็นของทั้นหลังเกิดขึ้นในลังกาแล้วก็ต่อแบบเอาต่อขามาทางจีนขอไทยที่เรียรลัแบบจากลันกาออามาซึ่งผมแบบนั้นเป็นแบบตก่าคือแบบเก่าของไทยตั้งแต่สมัยลังกาเอาขามาในจีนของไทยแต่ไม่ใช่แบบเก่ละอินเดียแบบตอนในอินเดียไม่ผมแบบนี้แบบตอนนอินเดียต้องผมแบบพระพุทธรูปรุ่นอมารวดีรุ่มแบบคังคราล่าซึ่งแบบนี้น่ะ ผมแบบมหาหักแบบพระมาในการนี่แหละแต่พราว่าไม่เอาขึ้นบนตลอบนทิศไม่เอาไม่เาอาเพราะมีเพราะพระลูกบวชแล้วพระวันขึ้นมาสันทีเลยอย่างนี่แล้วหมูเปี๊ยเลยเหมือนทุกสุดในอินเดียนล่นพี่เข้าใจว่าเ้าสูงในอินเดียข้างกันโน่นน่ะห่มกันได้ทีนี่เรารู้ได้จากปางทุกรุ่นเก่าในอินเดียเป็นแบบนี้เพราะฉนั้นถ้าสูงทุกวันนี้ไม่ได้ห่มแบบข้างอุตส่การไปแน่แล้ว เราตัดสินแต่ยังมีดาไม่ว่านี่กายใดนี่กายไหนก็ตามเนา ะ, มาะนี่กายพม่านี่กายลังกายนี่กายไทยนี่กายยักขายและก็ตามที่เป็นเหตุายติกันนี่แหละไม่ได้และไม่ได้รักษาแบบในอินเดียเป็นแน่แล้วตามผมตามตามตามผมตามตา ม, ตามเห็นของชอบของท้องที่และของคุณบาาจัดที่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังมีพระคุณเจ้าเลขที่ร้อยสิบสี่ถามผมบอกว่าทําไมมีนักศึกษาจำนวนมากแปลกใจสงสัาสายเกี่ยวกับผมนะฮะเรื่อง วัฒนธรรมที่ก่อนมันยังไม่เคยเห็นผมนม้อมสการาพระเพราะเหตุใดเรื่อง น, นี้คืออย่างนี้ครับผมไม่กล้าปวดท้องกับพระกลัวจะไปรวมกันนะเสียงเพราะมีในในพระวินัยอยู่สิ่ข้อหรือข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าขรุขระไปออกเสียงรู้กัพร ะ, ะจะเกิดสวดพระพันักษจะดีอะไรจะดีแล้วก็เป็นอาบัติกัพระหรเรื่องนี้นอะไรอย่างนั้นผม่จริงเรียกไม่อยากจะปวดร่วมเสียงสังโยชน์หรือว่าร่วมเสียงออกเสียงสรพันญัอะไรต่างๆแม้แม้กระทั่งเสียงสาธยาย คอคอพร้อมกับข้อศอด้วยกันเป็นอย่างนั้นครับสาเหตุเป็นอย่างนั้นบินเรียงไปเตี้ยคะองา์้าเรื่อ ง, องสิริราชศึกษาจมีสงครามอีกไหมครับคือมีสิขาเป็นข้อนหนึ่งที่ห้ามไม่พราเนี่ยควบคู่กับคารือหัดออกเสียงพร้อมๆกันคู่พร้อมกั น, กนที่อยู่ข้อนนผมก็เป็นการเรียงข้อที่ ไม่ใช่เองกายับมีไหมครับมีสงสัยไหมครับสำหรับข้อนี้ฮะท่านผู้ถามมีอะไรสงสัยหรือเปล่าไปทาบครับหรือท่านองค์ท่านองค์อื่นยัมีสงสัยไหมครับสำหรับข้อนี้ข้อแรกเนี่ยไม่สงสัยเลยครับ ท่านอัศวินอัศวินพิขุด้วฮะอะไรฮนะอัศวินโมเลยฮะครับถามมาบอกว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลอินเดียนับถือาศาสนาอะไรเป็นาศาสนาประจำชาติอินเดียเดยทันเกตรัฐบาลเขา้าวว่าเขาไม่มีาศาสนาเขาไม่ถุกคันกับศานสนาใดศาดสน า, าหนึ่งเขาว่าไงแต่พฤติกรรมนับถือดินดูเป็นศาสนาประจำชาติ นิตินายไม่หนึ่งผูกพันกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งจริงแต่พุทธินาฮินดูเป็นศาสนาประจันชาติข้อฮินดูมีถืสามร้อยห้าสิบล้านในละเมืองทีฮินดูก็ถือเอาส่วนมากเป็นเกณฑ์ว่าเป็นศาสนประจันชาตินะครับข้อสองประเทศปาจีสถานปกครองแบบไหนพุทธศาสนามีอยู่ในประเทศนั้นหรือไม่ประเทศปาจีสถานปกครองในระบบก็เรียกว่าประชาธิปไ ต, ตยแบบที่มีผู้นํา คือท่านสถธานาธิบดีอยุศานน์นีแหละพุทธศาสนามีอยู่ในปาซิสฐานตะวันออกปิดกระดายพมา่าซึ่งแต่เดิมเนี่ยยังไม่แยกเป็นปาซิสฐ า, านต่อินเดียนั้นก็ อ, อยู่ในประเทศอินเนตตนดียเองชาพุทธในมีจิตตะกองอมีิกุระอัดฉันเป็นชาพุทธัทธิศาสนา้จากพามา่ค า, พ า, มาคือพพม่าเขาไปขนแผแล้วก็ชาพุทธในนั่นมีทั้งคนไทยด้วยมีหมู่บ้านคนไทยและมารีกุระด้วยที่รับผึดชอรับพุทธ เป็นไทยาเกอปอพยพมาจากทันติอังสารัฐไทยใหญ่ข้ามไปอยู่ประมาณล้อปีเศษมานี่แบ่งเป็นไทยคันตี้ไทยาเกหลายเป็นหลายพวกด้วยกันลับถือาศาสนาพุทธเอา เ, เ, เ, เอาไปจากธรรมาสามพทะาวศาสน า, าของาศาสนาเทนตัวตัวท่านนี่ต้าผมอากาศหรือไม่เือแผ่าศาสนาอยู่กีป่ปีปริมิพานที่ไหน ตั้งใหครเป็นศาสดาแทนและศาสดาเชนและวศาสนาเชนมีผู้นับถืออยู่กี่ประเทศประเทศใดมีผู้นับถือมากที่สุดอ่าศาสนาศ า, าสนาเชนคือท่านมีคมรุมองนาฏบุตรนั่นนู่นลมผมฝ้าผูกแล้วครับเป็นซีเปรย์ฮะนี่เห็นกล้าแล้วก็ตายนะท่านตาที่เมืองตายยาก่อนหน้าพระาษีจะมีทา น, านพอตายลงศิษย์ ก, ก็ทะเลาะกันทีเดียวเป็นเหตุให้าตระสาริบุตรนํามาปราลบ อว่าอย่าให้พระในพุทธศาสนาตัดเป็นอย่างพวกนิ้คนอย่างนี้เลยพอศาสนาลูกลับไปก็มาทะเละบอกแย่งกันเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรจะทูลขอพุะธนุนุญาตสแสดงสังขีติสูตรให้เป็นตัวอย่างให้จะให้กับพระจะได้ไม่ได้ไอทะเลาะกันสังขีติสูตรก็ทุ่งไง่ายๆว่าเป็นการกาหนดหว่าข้อธรรมะหรือพุทธคด ท, ทั้งหมดสําหรับให้พระสงฆ์สาวกรู้จะได้ไม่เอาไปตีความว่าพุทธเจ้าผิดด่ตรนี้พระุทธเจ้าไม่ผิดตรงนี้แล้วก็มาเป็นเหตุให้ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าก็อนุญาตพระสารีบุตรก็แสดง อแสดงเสด็จครูพระพุทธเจ้าก็มีโมทนาการกระทาของกษัาริบุตรนี่ก็แสดงว่ามีคนนาตบุตรติดสารสบายน้าเชนนั่นตายต่อพรุทธเจ้าตายที่เมืตาวานะฮะพระพุทธเจ้าลิขานิุพินราใกล้ๆกันั่นแหละปาวากุศินาราเนี่ยเดินกันขึ้นวันก็ถึงแล้วใกล้ๆกันเมื่อตายนั้นน่ะมีคนนาบุตไม่ได้ตั้งให้ใครเป็นศาสาแทนวันนี้ไม่ได้ตั้งให้ใครแล้วเวลานี้น่ะไม่มีประเทศใดนอกจากอินเดียที่นับถือเชน พู้จี้นฟรีเทียนในอินเดียนี่มีไม่เกินไม่เกินสิบล้านเวลานี้โดยมากเป็นพวกพอค้าข้าาบาดีกระเป๋าหนักพวกนี้กินฝามามีตัญญาส้างโบสถ์งามาด้วยหินอ่อนหลังตูเตื้องานอยู่กับบททินดูไปไหนไหนครับไม่เป็นครับ ที่สูข้าตัวเองไม่เป็นปราชิกไม่เป็นคขาตัวเองไม่เป็นบานที่นี่ตไปของตัวเองเลมันเลบียดดงคนอื่นเข้าเบียดล่ตัวเองพอจกระทำตัวเองเพราะฉะนั้นไม่เป็นบบไม่ถึงปราชิกไม่กลับปราชิกสมาสีสีบุคคลนี่แหะสมาสีสีน่ยไม่ ชื่อคอปนี่โกนชื่อครัง้งที่เจ็ดชื่อเครัฐาชื่อครั้งที่เจ็ดแล้วมีกกมพลหลอนลมจะขาดไม่ขาดแหลตอนนี้่เป็นอรหันเลยตอนนี้ธรรมสีสีพิจารณาทุกขารอโฆษนาไปเรื่อยเดี๋ยวบรรลุตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็เถอะตอนที่ก่อนจะทำอาจจะทำในโ ม, มหะนะแต่ตอนทํากําลังทําอยู่เนี่ยพิจารณาได้มักผลหลังหลังจากมันแล้ว แต่ก็เอามนได้ตอนที่เึ้นลมหลอดลมลมันจะขาดนี่มันประจ ก, กันพอดีพอดีเลยเียพระอยากลื่อมขาดเคลียที่จะเลื่อมเลยทนทีเดียวไ้ก่อนหน้าจะได้มหะถก่อนหน้าที่ตายรบกัรฆ่าตัวจะทาได้มหะแต่ยังไม่ได้ฆ่าอาหารอีกไกลมากน่ะแต่ไอ้ก่อนที่กาลังฆ่าอยู่และกําลังจะตายอยู่นี่ตอนนี้มีวัสนาปัญญาเกิดตามลาดับที่จะนาไปเรี่อยบรรลุเลยพร้อมกับหลอดลมขาดแต่ละหันเรื่องสมาธิสีบุคคลนะ <c oughs> โอ้คนที่บารมีสุกยอดแล้วอย่าไปพูดเรงเวลาเลยอย่าพูดเรงเวลาเลยอันหนึ่งคนบารมีถึงถึงถึงขันขนข้นอย่างนั้นแล้วอ่าเขามีท่านผู้หนึ่งถามมาบอกว่าพลังหนึ่งพลังขจิตคือจิตอะไรคนที่นอนหลับถือว่าเป็นพลังขจิตได้ไหมครับอ่พอาพลังขจิตนั่นคือจิตที่ไม่ขึ้นวิสูวิถีทางปัญจาภวานนะ ไม่ขึ้นวิถีทางปัญจทวาลไม่ขึ้นวิถีทางอ่ครับเทางปัญจทวานนี่คืทางมโนทวาลที่มารับอารมณ์ข้างนอกอันเนื่องจากปัญจทวาล น, นะครับเราเรียกว่าพวาังขติตดีแม้ภายใ น, ในของมันเองอุปาทิติอังคะมีอารมณ์คือกรรมาลมณ์กัมมิทิอารมณ์ขจิตกิมมิทิอารมอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นอารมณ์เรียกวพลังขติคนที่นอนหลับแม้มีฝันยังไม่เป็นพลังขติ ต้อลับสนิทไม่มีฝันจริงเป็นหลวงกับิตข้อสถามว่าเด็ดตริงในคำมารดาให้ใจหรือไม่หรืออาจะรย์รู้หมใจลมของมารดาไม่ให้ใจเด็กในคำมารดาไม่หายใจถามว่าทํามห้ใจทํามาอยู่ได้จำมันเลี่ยงไว้ทําดถามไว้เหมือนกับสัมมาโรกอะทํำไมคนไปสัมมาโลกได้ไม่ไม่ยอยัยบไปละ่ะอจามันเลี่ยงเอาไว้ข้อสมีอาจา ร, รย์บางท่านอธิบายว่าจิตยืยนยันเฮลไครมโนอย่างเดียวกัน แต่ยังสงสัยอยู่มากรุณาอธิบายเพราะเข้าใจว่าวิญญาณอาศัยมโนเป็นที่ตั้งมากกว่าไม่ใช่หรอกครับจิตวิญญาณมโนอสัจยางปัรพังมโนวิญญาณมโนธาตุอันเดียวกันหมดแต่เรียกดูหน้าที่ต่างกันเช่หน้าที่ครท่าธา่าให้ธาตรู้นี่มาทําหน้าที่รู้ทางอเยตนะก็เรียกว่าวิญญาณมันจะกเรียกวิญญาณให้่าตรู้นี่ทําหน้าที่ปฏิสนธิก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณตื่นตะล่อมไม่เรียกวิญญาณแล้วเอาที่เรียกวิญญาณให ในของกรณีนี้หนึ่งทำหน้าที่ปฏิสัมนธ์หลังจากสติเรียกวิวญญาณคอาำหน้าที่ทางอิจะรับอารมณ์กระทบอิจฉะภายนอกเรีย ว, วิญญาณโลกนั้นไม่เรียกมนุษรยว่าน้อมน้อมน้อมไปสู่อารมณ์เพรานั้นเองมีมีการกระทำคือ น, น้อมไปสู่อารมณ์จิตเนื่องจาคิดมาจากจินตภาพคิดคิดหรือมาจากจิตตภาพซึ่งแป่ว่ารักษาสื่อสันดาลแห่งตน ไปที่นี่หมายความว่ารักษาผลแห่งวิบากกรรมต่างๆที่ทําทํามาไว้เกิดเป็นในที่ธาตรู้อันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกอุรุลักษณะว่าให้ภาพรู้นี้ทําหน้าที่น้อมไปไปสู่อารมณ์ก็เรียกว่ามโนถ้าจะเรียกว่าให้ภาพรู้นี้ทําหน้าที่คิดอารมณ์นะหรือทำหน้าที่เก็ดเก็ดอารมณ์ก็เรียกจิตเรียกตามหน้าที่ครับความจริงอันเดียวกันนะฮะไม่จะแตกต่างกันอ่า เลขที่เก้าสเอ็ดถามมาบอกว่าจิตที่ขึ้นสู่อารมณ์แล้วไม่กลับลงมาอีกคือเกิดคือเกิดตรงไหนดับตรงนั้นและพลังขจิตอยู่ตรงไหนอยู่ใยหาดไทรูปหรือเปล่าช่วยอธิบายด้วยสองสัตว์ที่เกิดมานั้นมาเพื่อใช้กรรมหรืออย่างไรสําหรับข้อสนี่แล้วเต็มๆครับมาเพื่อใช้กรรมแ น, น่ถูกแล้วเป็นต้นทุกบินเลยกเกิดแล้วเกิดว่าทําไมเกิดมาเพื่อชดเชยวิบาตกรรมสิ เรามีกิเลสทำมาแต่ตั้งก่อนมาทุกเชืวิบากสี่ทำกรรมมาแต่ชาติต่อชาตินี้มีวิบากเพราะไม่เกิดมาใช้กรรมจะผูกตั้งแล้วครับสำหรับข้อนหนึ่งนั้นถามมาอยู่ น, นชายรูปหรือเปล่า้ากชายรูถชายว่าตามมติอัตกถาไม่จะพุทรพจนะ์ะอัตกถาว่านะไป้ชี่ที่ทในในทหัวใจนี่ที่มีสี่ห้องนี่แหละแล้วก็มีรูปเหมือนกันเหมือนหนึ่งดอกบัวหลวงข้างในมีมีไอ้ช้องช่องเล็กๆพอจุกระดินหน้า แล้วข้างนั้นมีฝาน้ำหัวใจหล่อเลงไว้นี่ถ้าปราณาไวายย้่งั้นบอกว่าจิตจะละตั้งอยู่ตรนั้นแต่ถ้าเราถ้าถือตามพวกนักวัตถุนิยมเขาบอกว่าอยู่ที่มันสมองตอนนี้มรรคที่จริงควรจะเป็นอย่างไรปราจะตอบเขาอย่างไรล้วก็ตอกเขาบอกว่ารู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นอยาไปกำหนกว่าอยู่ที่รงนี้อยอยู่ที่ตรงนี้อยาไปกหนดบอกว่าออยู่ที่ไหนเวลากลกกมีตากทา น, า น, า น, านาไหนอ่ะเขาบอกว่าฉัูทานตาจิตก็อยู่ตรงนั้น แล้ขาบอกเวลาได้ะรู้เอ้นก็เวลได้ยินสียมันและติดกระดิ่งนั่นและติดกะระดิ่ไหนสิดกระดิ่ง น, น้แต่คำนาที่ติดกดิ่ไหนติดเต้านั่นระวังนี่ก็แล้วกันตอบเขาอย่างงั้ น, นะฮะตอบแบบนี้น่ะเขาจับไม่มั่นขั้นเลยตายเอาเราไ้อยู่ตอแบบนี้ <laughs> เอาเราไปอยู่ร้อยห้าสิบสี่ท่านถามมาว่านะฮะ มหาป ร, ริยญาที่ลาสิขาไปได้ดีบางคนจริงไม่ค่อยไหวพระสงฆ์เลยหรือจะเป็นผู้มีส่วนแห่งมานะหรือขไหนเอข้อนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบข้อนี้โจรครับเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นมหาป ร, ริยญาไม่รู้ายพวกที่เขาไม่ไหวพระสงฆ์เป็นเพราอะไรก็ไม่ทราบถ้าจะตอบก็จะเป็นอันใดใจกันอาจจะผิดก็ได้นะตอข้อนี้ตอบไม่ได้ครับถามว่าทำไมถึงได้ไม่ไหวพระสงฆ์เพราอะไรพวกที่สุดๆไปเนี่ยเป็นเพราะมานะหรือเป็นเพราะอะไรก็เห็นจะไม่ทราบครับ ท่านปิณฑาวุฒิวุลพิกขุกนะฮะถามมาว่าการที่หนังสือพิมพ์ตอบปัญหาแบบนั้นเป็นการตอบที่ไม่ดีเป็นไทยต่อศาสนาเมือ่อเป็นเช่นนั้นอาตมาคิดว่าอาอจารย์เป็นผู้หนึ่งที่รู้เรื่องของาศาสนาดีชนอะอาตมาขอให้อาจารย์เป็นผู้ตอบปัญหานั้นเพราะเมื่อไฟไหม้อะไรฮะเรียนจะรอให้พ่อแม่ดับโดยที่บรรดาลูกหลานไม่ดับไฟก็ย่อมไม่บ้านหมดเพราะคนละเพราะเราคนบ้านเดียวกัน แต่เสียงกันเองไม่ใช่เสี่ยงกันเองนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีถ้าคุณเจ้าลูกกับลูกหนึ่งตอบแน่ถ้าไม่จะสู้กัเขาที่มีตอบก็ต้องมีคนอื่นตอบไม่ช้าก็เร็วผ ม, ผมยังมีความเชื่อยยงงอย่างนั้นอยู่ยังมีความเชื่ออ ย, ย่งงางนั้นอยู่ครับออย่างการณีในทัพปันเนี่ยก็ยังมีท่านผู้หนึ่งที่เมาถึงบรรณาธิการเราคือผิเสี่ยมรักแล้วก็เขาเขาา้ามาพิมพ์ลงด้วยเป็นการโแย้งกับข้อ รับประวัติของในทับต่าที่มีต่อศาสนาเพราะฉะนั้นอยากจะรอดูรอดูผลใระยะสามวันนี้จะมีอาผู้ใดตอบไปหรือเปล่านะฮะรอดูผลก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเกียงกันเลขที่เจ็ดิถามมาบอกว่าเมื่ออาจารย์เห็นว่าการออกเสียงสรงะพันญรือวิธีสวดอื่นๆร่วมกับพระจะทำให้พระต้องอาบัติเกควร แต่ถ้าอาจารย์จะกรุณาว่าธํานองหนึ่งสรตวพันธยะและสองธรรนองอื่นๆให้เครื่องบันทึกเกจดไว้เป็นแบบเพื่อพระที่ประสงจะจดจําไว้สอนสืบต่อไปจะได้หรือไม่ถามถ้าได้กรุณาอ ะ, อะไรฮะสักชนิดละบาทหรือบทสักสองสามบทจะดีมากเพราะเครื่องบรรทึกกําลังเดินอยู่จะให้เขา่ากพอพันแคเอ๋ผมไม่ได้หัดมาทางสวดทางพระว์พันธุยะอะไรที่ไหนเลยนี่ครับข้ อ, อนี้ผมว่า ผู้จะว่าดีที่สุดก็คือท่านที่เคยคุ้นเคยกับทานองสวดมาแล้วทานองว่ามาแล้วจะดีกว่าผมนะฮะเพผมจาได้แต่เพียงไม่นิดหน่อยไม่เจอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสวดอะไรมาจากไหนเพราะเวลานี้ยุคคลหะเป็นนักสวดก็หมดยุคไปแล้วไม่มีแล้วทีนี้จะไปหัดใครสมัยก่อนจะมีขลิหะนักสวดอยู่พมาลายนี่ขลิหะจ่ะอยู่กุนหิศวิชัยแล้วต่เวลาเขาแต่งงานกันเขาเนี่ยเขาเคิไม่มีไม่มีมูลค่าสวดเอาขลิหะที่เป็นนักสวดเนี่ยสู่พม่าลายให้เจ้าดาวเจ้าสาวฟัง ขะามาลายเนี่ยไม่ใช่เป็นของสุสีฟังนะแต่เดินไปส่คนเป็นฟังอันนคนฟังหรอกมจะสู่ไอีฟังไม่ใช่ขามาลยเนี่ยแล้วมาทีหลังไอ้ทำเนียมันเลือนกลายเป็นสุีฟังเออใครมาบอกสูามาลายคนไม่รู้มาแช่งักขดกระดูกก็ไม่แช่งใขดตาลเลยเลยหรือไใครยังไม่ตายนี่มูลสูล่ทํามาลาย้ามาลายแต่โบราณสมัยกเชื้อศิยาตุล ก, ก น, สนะสถึงน่ะแต่งานที่บ้านนแต่งานก็ก็เชิญเชิญให้ขึ้นหัดทักวดมาตรวจ คือไม้สอนให้คู่บ่าวสาวไม่กลัวอคติรัตกรรมจะได้มีความซื่อตรงต่อกันไม่กล้าคบชู้นอกนอกใจกันนี่ต้องถึงพระมารายให้ฟังที่บุญที่บาปบ่าวสาวฟังไปแล้วก็กลายเป็นคู่ครองที่เป็นคู่ครองตัวอย่างมีพฤติกรรมดีรักแต่งัต่งถีอไม้เทาอยอดทองกระเบนยอดเพชรไม่กล้าคิดนอกนอกตกฎนอกใจเพราะอคติพลานารกในพระไารายอะ่ะกับพลานารรค์ก็อยากจะตั้งวา ท, าทาความดีเพื่อหวังให้เกิดในสวรรค์ทันพระศรีอานตามที่พระมารายว่าไว โดยรามจึงให้นักสวดสีคนสวดให้บาวสาวฟังเลขสีไม่ได้เอามุนคนนะมาการไม่ได้เอาอวมุนคนนะเมื่อทำเมียมาเรียนแล้วสมไมก่อไม่ถือเลขศีเอวมงคนเลยเดี๋ยวนี้มีเงินพระาชันในบ้านเอานิมนต์สีรูปเขาว่าเอาอวมงคนไม่จะมาเสวดศีลในนิมนต์สีรูปมาเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ได้เอาอวมงคนเลยอุณัยศวิชัยก็เหมือนกันอุณัยศอุณัยศวิชัยเวลาสวดนแะล้วก็เสวกคู่มหาสาวางด้วยมหาสาวาง มหาสาว่างเวลาที่ไมมีใครตรวได้แล้วตำราเก่ามหาทิปมนหนึ่งมหาสาวางหนึ่งอุณหิสตรีชัยหนึ่งตรวจคู่กันเวลาคนไม่สบายเจ็บป่วยหรือทําบุญต่ออายุหรือทําบุญอายุถึงแม้ไม่เจ็บป่วยทำบุญอายุก็เถอะต้องมีมนพระมาตรวจสามกูด น, น, นี้มหาสาวยังมหาธิปมนอุณหิสตรีชัยตรวจแล้วก็จะพาหนังฟังเดี๋ยวนี้ ขับอันนี้มัมาเสือขาวจะมาแช่งเอาตาจะมาอาอยงมาระเบิหรือทะลุหลนี่เหมือมาสุดแบบนี้เพราะทำนี้มันเรือไม่เข้าใจของเก่เขาละส่งการสียเพื่นกำลังหม า, หาสาวรางก็บอกแล้วสืบแล้วกำลังวังชาวังใหญ่อะ่ะหม า, หาสาว่างเนี่ยอาหมาที่ประมวลก็เหมือนกันสืนแล้วไม่ตายเป็นทิแล้วก็อุลในเซวิชัยนะ่ะก็เป็นต่ออายุโดยตรงปลาลึกเลืเ่อนสุกดิเทาบุตรอยู่บนดาวนจ็กเหมดดิดนจ็กิตเฮือการต่อยที่ประมาลาต่เดียวที่ตะบันจะถอนก็แขงกันได้ จิตใจก็มดมดรังสีก็